ใจจึงปราศจากอาหางการมามังการและมานะเนือกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสั พ, พนิมิตภายนอกก้าวล่วงส่วนแห่งมานะสงบระงับหลุดพ้นดีแล้วราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้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 ใจจึงปราศจากอาหารการมามังการและมานะในกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสัพนิมิตภายนอกก้าวล่วงส่วนแห่งมานะสงบระ ง, งับหลุดพ้นดีแล้วอปาคตะสูตรที่สิบสองจบทุติเยวักจบ พระสูตรที่มีนิวัณ์นี้คือ 1. จักขุสูตร 2. รูปสูตร 3. วิญญาณสูตร 4. สัมผัสสูตร 5. เวทนาสูตร 6. สัญญาสูตร 7. สัญญาเจตนาสูตร 8. ตันหาสูตร 9. าทาตุสูตร 10. ขันทสูตร 11. อนุสยะสูตรสิบสองอปาคตะสูตรราหุละสังยุตจบปริบูรแปดลักษณะสังยุตหนึ่งปฐมวัคหมวดที่หนึ่ง หนึ่ิสูตรว่าด้วยเปรตมีแต่โครงกระดูกข้าพือเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลวนสถานที่ให้เหยื่กระแตเขตโครงราชครือสมัยนั้นท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคลานะพักอยู่บนภูเขาคิ้จกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวอ์เข้าไปหาท่านพระลักษณะถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านพระลักษณะมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบินตบาทเนือกรุงราชครืะด้วยกันท่านพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่ท่านพระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาคิชโคถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มลาดับนั้น ท่านพระลักษณะถามท่านพระมหาโมคลานะว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงถามปัญหานี้เถิดครั้งนั้นท่านพระลักษณะและท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวบินทบารในกรุงราชครร์กลับจากบินบุร หลังจากฉันพัตหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรครั้นแล้วท่านพระลักษณะเรียกล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านมหาโมคคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิชกูดในกรุงราชยฤนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้ม ท่านผู้มีอายุเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นอัติสังคลิกะเปรตเปรตมีแต่โครงกระดูกลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักขว่จิกทึงยื้อแย่งเนื้อที่ติดอยู่ตามระหว่างสี่โครงสบัดไปมาจนมันร้องโครนครางกระผมมีความรู้สึกว่า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 พระสูตรทุกสูตรที่ละไว้มีความเต็มเหมือนสูตรนี้อัธิสูตรที่หนึ่งจบสองเปสิสูตรว่าด้วยเปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อท่าน เมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูรได้เห็นมังสะเปสิเปรดเปรดมีแต่ร่างชิ้นเนื้อลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไข่จิกถึงเยืะอแย่งเปรดนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวนครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรดนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคในกรุงราชครึกและอื่นๆ เบสิสูตรที่สองจบ 3. ปินทสูตรว่าด้วยเปรตร่างก้อนเนื้อท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกููรได้เห็นมังสะปินทเปรต เปรตร่างก้อนเนื้อลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไข่จิกทึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่านกในกรุงราชคย์และอื่นๆปินทสูตรที่สามจบ วิชวิสูตรว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศ ช, ชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิดจกปูดได้เห็นนิชวิเปรตเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศ ช, ชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวาขว่จิกทึ้งเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางละถึง ภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนค่าแกะในกรุงราชคฤห์และอื่นๆนิชวิสูตรที่สจบ 5. อาอสิโล ม, มาสูตร ว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นดาบเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นอสิโลมาเปรตเปรตร่างมีขนเป็นดาบเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลาย เปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าหมูในกรุงราชครุและอื่นๆอสิโล ม, มสูตรที่หจบ 6. สตัติสูตรว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศ ช, ชาย ท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสัตติโลมาเปรตเปรตมีขนเป็นห อ, อกเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนห อ, อกเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นพรานล่าเนื้อในกรุงราชครึและอื่นๆ สัตติสูตรที่หกจบเจ็ด <im itation> <im itation> อุสุโลมสูตรว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศ ช, ชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูรได้เห็นอุสุโลมเปรต เปรีร่างมีขนเป็นลูกศรอนเพศ ช, ชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขน ล, ลูกศรอนเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรีดนั้นเคยเป็นพชชิจฉาในกรุงราชครึกและอื่นๆอุสุโล ม, มสูตรที่เจ็ดจบ สูจิลุมสูตรว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศ ช, ชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสูจิล ม, มเปรตเปรตร่างมีขนเป็นเข็มเพศ ช, ชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศขนเข็มเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงมาที่ร่างของมันเองจนมันร้องครวญครางและถึง ภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นนายสารถีในกรุงราชครึกและอื่นๆสูจิโลมาสูตรที่8จบ 9. ทุติยะสูจิโวมาสูตรว่าด้วย เปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชายสูตรที่สองท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นสูจิเปรตเปรตร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศเข็มเหล่านั้นแทงเข้าไปในศีรษะของมันทะลุออกทางปากแทงเข้าไปในปากทะลุออกทางอกแทงเข้าไปในอกทะลุออกทางท้อง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 กุมมะพันทสูตรว่าด้วยเปรตมีอันทะโตเท่าหม้อท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาขิจกููดได้เห็นกุมมะพันธเปรตเปรตอันทะโตเท่าหม้อเพศ ช, ชายลอยขึ้นสู่กลางอากาศเมื่อเปรตนั้นเดินไปก็ยกอันทะเหล่านั้นขึ้นพาดไว้บนบา่าเมื่อนั่งก็นั่งทับอันทะเหล่านั้นฝูงแรงนกกานกเหยี่ยว พากันโฉบอยู่ขวักคว่จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านในกรงราชครึกและอื่นๆกุมมะพันธสูตรที่สิบจบปฐมวัชจบ พระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อธิสูตร 2. เปศิสูตร 3. ปินทสูตร 4. นิชวิสูตร 5. อสิโลมสูตร 6. สัติสูตร 7. อุสุโลมสูตร 8. สูจิโลมสูตร 9. ทุติยสูจิโลมสูตร 10. กุมภันธสูตร 2. ทุติยวัคหมวดที่สองหนึ่งส ส, ส ก, กะสูตรว่าด้วยเปรตจมหลุมคู่ท่วมศีรษะเพศ ช, ชายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยีอกระแตเขตกรุงราชครึ้ท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูร ได้เห็นเปรตจมหลุมคู่จนท่วมศีรษะเพศ ช, ชายและถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นชู้กับพันยาของผู้อื่นในกรุงราชคฤห์และอื่นๆสสีสะกะสูตรที่หนึ่งจบ ครถทขาทสูตรว่าด้วยเปรตกินคูดเพศชายท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูรได้เห็นเปรตผู้จมหลุมคูดท่วมศีรษะกำลังใช้มือทั้งสองกอบคูดกินเพศชายและถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นพรามในกรุงราชครื พราหมนั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฉันพัตาหารแล้วเทคูดลงใส่รางจนเต็มสั่งให้คนบอกเวลาอาหารว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงชั้นอาหารและนำไปให้พอแก่ความต้องการเถิดและอื่นๆคู่ทขาทรที่สองจบ นิชวิตถีสูตรว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิงท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูรได้เห็นนิชวิเปรตเพศหญิงลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไข่จิกทึ้งเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวนครางและถึงภิกษุทั้งหลาย เปรตหญิงตนนั้นเคยประพฤตินอกใจสา ม, มีในกรุงราชครืและอื่นๆนิชวิตถีสูตรที่สจบ 4. มังคุลิตถีสูตรว่าด้วยเปรต รูปร่างหน้าเกลียดเพศหญิงท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูรได้เห็นมังคุลิเปรตกลินเหม็นเพศหญิงลอยขึ้นสู่คลางอากาศฝูงแรง้งนกกานกเหยียวพากันโฉบอยู่ขวักขว่จิกถึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยเป็นแม่หมดในกรุงราชคฤห์ และอื่นๆมังคุลิตถีสูตรที่สจบ 5. โอกิลินีสูตรว่าด้วยเปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิงท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูร ได้เห็นโอคิรินีเปรดเพศหญิงถูกทานเพลิงเผารอบตัวจนสุกเยิม้มหย่าน้ำไหลหยดลงลอยขึ้นสู่กลางอากาศจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรดหญิงตนนั้นเคยเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะนางขี้หึงเอากระทะมีฐานไฟคลอกหญิงร่วมสามีและอื่นๆ โอคิลินีสูตรที่หจบ 6. อศสศส ก, กะสูตรว่าด้วยเปรตศีษะขาดท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นอศสศส ก, กะพันธะเปรต ลอยขึ้นสู่กลางอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักขว่จิกทึงเยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรชื่อหาริกะในกรุงราชครืและอื่นๆ อ, นอสีส ก, กะสูตรที่6จบ เจป้าปภิกขุสูตรว่าด้วยเรตมีรูปเป็นภิกษุชั่วท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชฌูได้เห็นภิกษุเรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคาติบาทประคตเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลาย เปรนั้นเคยเป็นภิกษุชั่วในพระศาสนาของพระัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและอื่นๆปาปะพิขุสูตรที่7จบ 8. ป้าปะพิขุนีสูตร ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นภิกษุณีชั่วได้เห็นภิกษุณีเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคาติของมันถูกไฟติดลุกโชนและอื่นๆปาปะภิกุณีสูตรที่8ดจบ สิกขมานาสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสิกขมานาชั่วได้เห็นสิกขมานาเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคาติของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางละถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสิกขมานาชั่วและอื่นๆปาปะสิกขมานาสูตรที่9้าจบ ปาปะสั ม, มนเนรสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสั ม, มนเนชชั่วได้เห็นสั ม, มนเนษเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคติของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางและถึงภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสั ม, มนเนชชั่วและอื่นๆปาปะสั ม, มนเนรสูตรที่สิบจบ ปาปะสัมเนรีสูตรว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสัมเนรีชั่วท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาขิจกูรได้เห็นสามเนรีเปรตลอยขึ้นสู่กลางอากาศสังคาติบาทประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนจนมันร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าหน้าอัศจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้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 ซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นสมณนรีชั่วในพระศาสนาของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผลกรรมนั้นสมณนรีนั้นจึงตกนรกหมกไม้อยู่หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้รับอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นที่ยังเหลือ ปาปะสมเนรีสูตรที่11จบทุติยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สสีสกะสูตร 2. คูทขาทสูตร 3. นิชวิตทีสูตร 4. มังคุลิตถีสูตร 5. โอกิลินีสูตร 6. อศิส ก, กะสูตร 7. ปาปะพิกุสูตร 8. ปาปะพิกุณีสูตร 9. ปาปาปะสิก ข, ขมนาสูตร 10. ปาปะสัมเนระสูตรสิบเอ็ด ป่าปะสมเนรีสูตรลักษณะสังยุตจบบริบูรณ์เก้าโอปะมะสังยุตหนึ่งกูตสูตรว่าด้วยเรือนยอด ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกเกษตีเขโครงสาวทีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายกรอนเรือนยอดอย่างใดอย่างหนึ่งกรอนเรือนยอดเหล่านั้นทั้งหมดไปรวมที่ยอดเมื่อรือ้ยอดเรือนกรอนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการรื้อด้วยชั้นใด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 กูตัดสูตรที่หนึ่งจบสองนักข่าเกขาสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เคกรุงสาววัตถีครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนข า, าช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือฝุ่นเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้กับมหาปฏพีนี้อย่างไหนมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปฏถพีนี้นั่นแหละมีมากกว่า ฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมานี้มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับมหาปฏภีแล้วฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยนับไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ไม่ถึงส่วนเสี้ยวเหล่าสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยเหล่าสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นนอกจากมนุษย์มีมากกว่าก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย